มงคลชีวิตมงคลที่27ความอดทนขันตีจะเอตามังคลมุตตมังความอดทนชื่อว่าขันติ ความอดทนยิ่งชื่อว่าอธิวาสนะขันติเป็นความอดทนที่ไม่มีอาการผิดปกติยานที่มีผู้ด่าหรือผู้ทำร้ายเป็นต้นลักษณะความอดทน 1. มีลักษณะไม่โกรธไม่ทำร้ายตอบ 2. มีลักษณะมองโลกในแง่ดีเสมอแสดงออกในลักษณะยอมเช่นเขาด่าดีกว่าเขาทำร้ายด้วยท่อนไม้เป็นต้น3 ม, มีลักษณะไม่บน่นไม่ท้อถอยยามมีอุปสรรคเช่นยามหิวกระหายหรือเมื่อมีศัตรูขัดขวางเป็นต้น4 มีลักษณะไม่กระทําตามอำนาจกิเลสข่มความอยากไว้ได้ทําทําลายความอดทนโทสะความโกรธประทุสร้ายโลภะความโลภอยากได้โกสัจชะความเกียดคร้านความมักง่าย โมหะความลุ่มหลงความไม่มีปัญญามานะความถือตัวอวดตนวิธีฝึกความอดทน 1. นึกใส่ใจถึงแต่สิ่งที่ดีงามเป็นกุศล 2. ไม่บน่นไม่โวยวายยามถูกทุกกระทบ 3. นึกถึงโทษของความไม่อดทนและผลดีของความอดทนความอดทนจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้เป็นที่รักที่พอใจของคนเป็นอันมาก 2. ไม่มีเวรภัยกับใครๆ 3. ไม่หลงสติตาย 4. ตายแล้วเข้าถึงสุขคติ 5. มีประโยชน์มากเช่นทำให้มีมิตรภาพยั่งยืน